ปราณท่านว่าไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่งอันนี้ควรคิดควรพิจารณาอันไก่นั้นถ้าลบขนมันออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยอถ้าว่าขนมันยังมีอยู่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 บาสจากบาปโทษบนทินต่างๆคนเราน่ะเมื่อบาปอากุศลมันสงบลงไปแล้วอาการกายวาจาใจในกอดพลอยสงบไปตามกันเพราเรื่องบุญเรื่องกุศลมันเป็นเรื่องเย็นเป็นของเย็นเป็นของสงบตรงกันข้ามกับเรื่องบาปอากุศล เป็นของร้อนเป็นเรื่องวุ่นวายไม่ส ง, งบนี่เรื่องใครอยากรู้จักบาปและบุญนะ่ะมันไม่ใช่ยากอะไรก็ต้องดูกายดูจิตใจตัวเองนั่น <c oughs> ถ้าใจเราร้อนพุ่งซ่านเลื่อนลอยไม่เป็นอันส ง, งบเยือเกเย็นได้นั่นแหละ มันมีบาปรบกวนอยู่ภายในจิตใจนั่นนะถ้าผูใ้ใดภาวนามองเห็นใจตัวเองมันเยือกเย็นอยู่มันตั้งมั่นอยู่พอสมควรถึงแม้ว่ามันจะคิดมันก็คิดไปในทางศีลทางธรรมคนคนใจบุญนะเส้นคิดถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์คิดถึงความดีที่ตนกระทามาเป็นอารมณ์นี่ถ้าว่ามันคิดอยู่ตามเรื่องความดีต่างๆมูนี้แล้วก็ไม่จัดว่าความพิดนั้นความคิดนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองมันก็ พออยู่ไปได้ถ้าผูใ้ใดประคองจิตของตนให้ดำลิตรีตองอยู่ในคุณพระรัตนาไกลและคุณสินคุณทานการกุศลต่างๆหมู่เนี้ย <c oughs> อีกอย่างหนึง่งก็มานึกถึงชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่ ม, มานึกถึง ชีวิตนี่เป็นอารมณ์อย่างนี้เสมอๆไปมันก็จะเป็นอุบายสอนใจไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อันใดเพราะว่าเมื่อมานึกถึงชีวิตนี่เข้าไปแล้วอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน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 ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็ปรากฏเรื่อยไป <c oughs> แล้วอย่างนี้พูดถึงความตายอย่างนี้มันก็แน่ตั้งร้อยเปอร์เซนต์เลย <c oughs> ความตายในะมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของชีวิตแน่นอนเลย <c oughs> แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้ว มันถึงไม่หวนนึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงความตายแล้วมันจะไม่ได้เพลิดเพลินมัวเมามก็เลยไม่ต้องนึกถึงแหละความตายถ้าผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งนึกถึงความตายบ่อยๆแหละเพื่อเตือนตนไม่ให้ประมาท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 พราะมันมองเห็นนี่มองเห็นด้วยใจแท้ๆมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารในอัตภาพร่างกายอันนี้ฮนะแล้วไม่ทราบว่าจะหวงจะห่วงไปทําไมอนะ่ะไม่ทราบว่าจะหลงเพลินเมาไปเอาอะไรอนะ่ะเพลินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรอนะ่ะ มีแต่ใจเศร้าหมองขุนมัวไปเปล่าๆไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวได้แต่ความเศร้าหมองใจอย่างว่านั่นเนี่ยเมืเ่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็มาเพียรชำระใจนี่ให้มันผ่องใสสะอาดไปเรื่อยๆ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 ถ้าหากว่ามันถูกกิเลสตัณหากรอบงำอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทาบาปทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แต่ถ้าหาว่าจิตนี้ได้รับการอบรมให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี่แล้วมันก็สามารถใช้กายวาจานี้ทำดีพูดดีได้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 แต่อิทธิพลเหล่านี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกนุ่เข้ามาประกอบด้วยเฮ้ถ้าว่าใจนี้ไม่ฉลาดมันได้รับสัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภา ย, ภายนอกนุ่นแล้วมันก็สร้างความโลคความโกรธความหลงอะไรขึ้นในใจนี่เมื่อสร้างกิเลสล่านี้ขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้ว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 บรรดาลไม่ให้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นมันยึงทําบาปได้จึงได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เพราะมันไม่กลัวบาปนั่นเองแหละบัด น, นี้เมื่อบุคคลมาเพิกถอนกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากดวงกิดแล้วจิตใจนี่มันอ่อนน้อมลงสู่บุญสู่คุณ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 การทุกคนให้สำรวจกวดดูจิตใจของตัวเองว่าเป็นยังไงอ่ะจิตใจของตนเองนี่มันกลัวบาปกรำเวรไหมหรือไม่กลัวนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องรู้เองแหละจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลยถ้ารู้ว่ามันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็นนั่นแหละได้ชื่อว่า เป็นคนประมาทในพุทธศาสนานี่คนที่ไม่กลัวบาปกามเวร น, นั่นแหละพระศ า, าสดาทรงตรัสว่าเป็นคนตั้งอยู่ในความประมาท <c oughs> ปะมะตายธรรมตา <c oughs> คนผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้ว <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> หมายความว่า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 มันก็ไม่ได้ความสุขอะไรติดตัวไปนั่นแหละมันท่านจึงเปรียบไว้เหมือนกับคนตายแล้วนั่นเองนะดังนั้นผู้ใดมาคิดดูชีวิตนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนความตายเป็นของแน่นอน เ, อเมื่อตายไปแล้วผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผล ผู้ดใดทำความชั่วก็ยอมได้ยอมได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผลติดตัวไปนี่เมื่อคนเราตายลงแล้วจิตใจนี่มันจะต้องเบนไปสองทางนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผูใ้ใดฝึกตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่ อแน่นอนแหละตายลงไปแล้วก็บุญกุศลนี่มันก็เป็นญาณปฐานะรองรับดวงจิตนี่ไปนี่พูดถึงคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็จําเป็นต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปอันท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็มันไม่มีเรื่องที่จะพูดอะไรมากมายดอก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 ดังนั้นถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะฝึกตนปฏิบัติตนละที่เหละให้เบาบางออกไปจา ก, กจิตใจตัวเองได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมทำตาม ไม่เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปกรรมความชั่วเหล่านี้นะเป็นเหตุให้บุคคลได้เสวยทุกข์ไปในสงสารอันนี้คนผู้มืดบนนนทการแล้วไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงไม่เพียนละความชั่วออกจากตัวคนที่ มีบุญวาทธนาบรารมีที่ตนได้อบรมสั่งสมมาแต่ก่อนบ้างแล้วก็มาสั่งสมเอาในปัจจุบันนี้บ้างด้วยอํานาจบุญญาบรารมีเหล่านี้นะ่ะมันก็มาดนจิตดนใจให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสแล้วมันจะไม่นิ่งนอนใจนะคนเรา แต่ต้องคำักคำเม่นทำความเพียรละกิเลสไปเรื่อยๆอธิษฐานในใจลงไปว่าเราจะไม่สั่งสมกิเลสต่อไปแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะตัดการร้านรานกิ่งของมันออกไปเรื่อยๆแหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วถึงมันจะยังมีอยู่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 ก็เพราะความโลภเกิดขึ้นมาแล้วตนเองแต่ชาติก่อนนั้นเกาะหมัวเมาประมาทไม่ได้ทำความดีมากทำแต่นิดหน่อยเมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าบุญตัวมันน้อยแต่ได้รับความสุขนิดนิดหน่อยหน่อย เมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขมากมีสมบัติมากก็ยากได้ยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกับวางแผนจี้ปล้นหรือว่าหลอกลวงต้มตุนเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตนนี่แหละกิเลส น, นะเมื่อสะสมห้มันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็บันดาลให้คนเราทำบาปอย่างว่านี่นะแต่คนผู้หลงผู้มเมาแล้ว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 ก็เพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไว้ในใจของตนแล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงตนหรือว่าตนพลังเผลอไปรู้ตัวแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสอนใจให้ใใหมันเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นสอนใจให้ละมันเมื่อให้ชื่นชมยินดีกับกิเลสบาปธรรมต่างๆ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 ถ้าสึบมันก็ได้โอกาสทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้อบรมปัญญาเกิดขึ้นแล้วเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้าหรือเวลาเผลอกิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาปัญญามาสอนใจตัวเองได้กิเลสมันก็ครอบงำจิต ให้มืดมนมัวเมาเหมือนเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันสำรวมงานความรู้อันนี้ไว้ให้ได้เมื่อเราภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขาร น, นามรูปต่างๆเหล่านี้แล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปณนิดสุ ข, ขุมอะไร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 เอาชนะความโลภความโกรธความหลงมา n นะทิ t ิต่างๆได้ใครด่ามาก็ไม่โกรธบ่านี้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้แล้วใครสรรเสริญเยินยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามแต่คนส่วนมากนะ่ะยากที่จะทําใจได้อย่างว่านี่นั่นแหละถ้าผู้ใดทําใจได้อย่างนี้นี่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 ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของผู้เทเจ้าอย่างแท้จริงอันผู้ที่ปฏิบัติได้หมายความว่าเวลามีเรื่องไม่ดีในงามกระทั่งมามันก็วันไหวเป็นธรรมดาหละแต่เมื่อรู้ตัวแล้วก็อดกัน้นมานี้จะไม่ยอมให้มันวันไหวอยู่นั่นเรื่อยไปขมใจละมันเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่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 เมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่างคนต่างตนช่วยตัวเองให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วก็จะได้ประสบผลที่ตนมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้